ตอนอบรมคอสนวาวมินครั้งที่3ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม2560ตอนที่สองโรงแกมเช็คแอนด์แดนซ์ที่โรงเรียนศูนย์พารานคอยเราก็มีสองโรงเรียนโรงเรียนในศูนย์ใหญ่มีอ น, นุบาลถึงป .6 ศูนย์ข้างนอกอีกตำบลหนึ่งนั้นเรามีถึงม .6 เด็กต้องทำ ทุกเช้ากับตอนเย็นกับบ้านแล้วก่อนพิทักเนี่ยสองปีก่อนเขาก็ส่งครูสามร้อยคนไปเข้าค่ายที่ศูนย์อุบลจริงจริงแล้วเ็ามีห้าร้อยกว่าคนครูเด็ ก, กเรียนห0พันกว่า <c oughs> แล้วเขาลองมาสองปีแล้วละ่ะปีนี้เขาบรรจุเป็นเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ใช้โปรแกรม S&D คือ c ช e ค k a d แดนซนมาประกอบอาการเดิ น, นเราก็ประเมินอะไรแล้เนี่ยเด็กก้าวหน้ามากที่สูดเพรกะครูทำมานานละเด็กสมาธิยาวขึ้น <c oughs> ทีนี้เขาเ ข, ข, ขบารับชายเอาไปในห้องเรียน <c oughs> นะมีโปรแกรมที่ว่าเด็กเขานั่งเพ่งดูเขาก็นั่งหมด อย่างเนี้ยคือนั่งดูบีซีอาร์แล้วก็มีสามโปรแกรมคือว่าคนจีนสมัยก่อนถ้าเราได้ดูหนังภาพยนตร์จีนสมัยโบราณเนี่ยเขา อ, อ่านหนังสือเขานั่งคือเขาหมุนแล้วเขาต้องอ่านออกเสียงนะเสียงนั้นจะเข้าไปผ่านเข้าไปในจิตเลยไม่ผ่านความคิดเราสังเกตนะเวลาพ่อครูพูดอะไรเด็กๆมันฟังได้รู้เรื่องเลย แต่ผู้ใหญ่เราเนี่ยฟังไม่ทันคือคำแรกพูดปุ๊บก่อไปคิดแล้วคำที่สองที่สามนี่ไม่ทันเลยเห็มไหมแต่ถ้าเราเด็กมันหมุนไปเนี่ยพูดปุ๊บมันเข้าไปหมดเลยร0อยไม่ผ่านความคิดนะอันนี้มีประโยชน์มากซึ่งปีนี้เขาประกาศว่าเป็นโปรแกรมหลักของโรงเรียนนะแล้วก็พวกครูเพิ่งไปอยู่ที่ก็ไปิทักมาสามวัน เมื่อวานพักวันหนึ่งวันนี้ก็อีกข้อนหนึ่งครูห้า้อยคน <c oughs> คือปีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสองเทอมเทอมหนึ่งเนี่ยพวกครูลงมาที่โรงเรียนส่วนตุลาที่จะถึงเนี่ยครูทั้งหมดห้า้อยคนจะไปที่ศูนย์บ น, นะคือต้องทำต่อเนื่องนะครับวิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทำไม่ดี คนทำดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายในการทำมันไม่ดีเป้าหมายในการทำดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าวิธีการมันไม่ดีต้องทั้งหมดไปได้วยกันนะตอนนี้เราวิ่งหาวิธีวิธีวิธีแต่ถ้าไม่ทำต่อเนื่องหรือทำไม่จริงจังล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลนะก็ก่อนไปทักเนี่เนื่องจากว่าเขามีตั้งแต่รูปบาลจนถึงหมอคแลวครูนี่ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงดอกเตอร์ มีคนหลากหลายวัยหลากหลายความรู้ปฏิบัติร่วมกันนะเวลาพ่อครูไปอบรมเนี่ยบางทีเด็กเด็กทุกห้องเนี่ยเขามีเขามีถ่ายทอดเข้าไปทุกๆห้องเห็นพรอครูหมดแล้วปฏิบัติพร้อมกันคนหกพันกว่าคนปฏิบัติพร้อมกันนะพลังเยอะมากนะครับก็เป็นแนวนโยบายของเราเลียกว่าจากนี้ไปเราก็ำลังจัดที่จะว่าเอาสิ่ง น, นี้เข้าไปลงเรียน เราต้องสร้างคนรุ่นใหม่หเราอันนี้ก็เหมือนว่าที่เขาสอนเรื่องสมองซีขวานั่นแหละแต่ น, นี่ไม่ใช่ซีขวาซีซ้ายเลยเข้าไปในจิตตรงๆเลยไม่ผ่านสมองนะถ้าผ่านสมองปุ๊บเราจอบไปคิดก่อนนะแทนที่เราจะเอาสิ่งที่เราเห็นเราฟังปุ๊บเนี่เข้าไปร้อยเปอร์ซ็นเลยพอเราคิดปุ๊บไอ้คำต่ อ, ต, อต่อมาเราไม่ทำละนะอันนี้เขาเก็บข้อมูลดีมาก แล้วถึงเวลามันกะไหลออกมาเลยนะและที่สำคัญคือเด็กสมาธิยาวขึ้นเรื่องอารมณ์เนี่ยอ่อนลงนะคือกายพิจิตเฟิงง่งอารมณ์ดีชีวิมีสุขนะอันนี้กายเป็นว่าถ้าเราวิจัยเนี่ยพ่อครูวิจัยมา28ปีแล้วนะแต่วิจัยเป็นเป็นหลักเป็นฐานเป็นขั้นไปนตอนเนี่ยสานะปีที่ผ่านมาแล้วก็มีบริษัทห้างร้านที่เขาทำเมื่อวานนี้ก็ผู้บริหาร ที่ยทีุ่กอือจีเหลียงก็มานี่เขาเขาเอาสิ่งนี้ไปในองค์กรเขาห้าปีปีนี้ปีที่6นะแล้วก็พอข้อ น, นี้เสร็จวันที่ยี่สบย่เจ็พกกูก็มีอีกข้อ น, นึงไปทียาสีนะไปพนักงานเขาปฏิบัติทุกวันที่จริงแล้วบริษัทนี้ลงทุนมากนะคืออะไรพนักงานปกติทำงาน8ชั่วโมงเขาให้ทำหกชั่วโมง อีกสองชั่วโมงเขามีห้องเช็คแอนด์เดินเขาให้ความสำคัญพนักงานมากยังยงศาสนาอิสลามเนี่ยต้องมีห้องละหมาด <c oughs> คนเราทำงานอยากให้เกิดสองชั่วโมงออกไปปุ๊บดึงดึงเราออกมาจากอารมณ์ที่เราจมปากนั้นอ่มมะมันมันละหมาดดึงสติกับมาคืนซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคือเราจมอย่างนั้นนาะน่ะ แล้วก็ น, น, นานๆปุ๊บกายภาพเป็นออฟฟิศซินโดมอารมณ์ก็เครียดสะสมทำงานไม่เกิดคุณภาพนะก็มีอีกบริษัทหนึ่งเขาไม่รู้ใายหรือยังไอหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มีใจให้ดูนะไม่ต้องเยอะนะแค่สองชั่วโมงทำงานปุ๊บเนี่ยหยุดหนึ่งนาที น, นะทุกคนดึงขึ้นมาเช and ันได้ เช็คอัพด่วมาแดนเซอร์ไซให้เราเฟ e แล้วเราทำงานอีกปุ๊บเนี่ยได้คุณภาพเราเสียเวลาวันหนึ่งแปชั่วโมงในทำงานเนี่ยเสียเวลาทำงานแค่สองนาทีตอนเช้าหนึ่งนาทีตอนบ่ายหนึ่งนาทีแต่คุณภาพชีวิตเราคุณภาพผลงานจะดีขึ้นนะเอาผู้บริหารใหญ่เขากนะ็มานะเมื่อวานนี้ขามาคุยกับผู้ก้เขาบอกว่าโดยเขาเองเขาได้อะไร <c oughs> เพรานั่งโต๊ะทํา ง, งานตลอดเวลาเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วข้างหลังเนี่ปวดเมื่อยเป็นหมดอะไรเนี่ยนะเ อ, อถ้าถ้าถ้าเครียดด้วยอารมณ์เครียดด้วยอันนี้ร่างกายตึงเครียดท่าอารมณ์เครียดด้วยเดี๋ยวก็มาเล็งถามหาเดี๋ยวก็ภูมิภูมิแพ้ถามหานะแต่หลังจากปฏิบัติแล้วแค่ว่าหายหมดเลยนะอันนี้คือประโยชน์ของสิ่ง น, นี้เราต้องทํางานนะ ก็ที่บอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็มีโปรแกรมใหม่พรีเมียมไฟเดย์นะเพราะคนมันค่าตัวตายคนมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากซึ่งเป็นวัฒนธรรม ท, ที่เขาทางานน่ะประเทศเขาจเจริญต้องขลุ่มกวนจเจริญเพราะเขาทำงานหนักกว่าคนอื่นแต่ดนักแล้วเนี่ยร่างกายชีวิตเดี้ยงนี้จะไม่หักทําไมมันก็เลยมีว่าวันศุกร์เนี่ยหยุดงานก่อนเวลาสองชั่วโมงนะเป็นเรื่องใหญ่แต่ทียซีเนี่ย วันหนึ่งเขาให้พนักงานทำงานแค่หกชั่วโมงเพราะเขาเห็นคุณค่าของชีวิตนั่นคือสวัสดิการพนักงานที่ดีที่สุดไม่ใช่ขึ้นโบนัสขึ้นโบนัสแล้วพนักงานเครียด่ยแล้วสุดท้ายเอให้แต่บโบนัสเอาแต่เงินแล้วเอาเงินไปกินเหล้าไปเที่ยวเตะร่างกายก็ส่งหมดอันนี้คือโบนัสที่ดีที่สุดนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะทีนี้พอกูดูแล้วว่า บอกเบอร์เกอร์เว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป้าหมายเราเนี่ยต้องเข้าโรงเรียนคือสร้างคนนะส่วนบริษัททางร้านอะไรเขาเขาก็าาสนใจเขาเป็นดนสิทธิของเขาที่นี่เราเปิดฟรีเข้ามานะเพราะมูลนิธิเราเนี่ยเพื่อการกุศล น, นะส่วนบางทีเขาบอกเออจัดข้อตรงนี้บ้างเขาบจัดไม่ใช่อย่าไปหาเงินนะมิจตว่าขอให้พอค่าใช้ใจ่ายเกาพอนะขอให้มันเดินได้แล้วพวกเรามีโอกาส ไม่ใช่ทำธุรกิจนะพาะครูอยู่ทำธุรกิจมายี่สบปดปีนะก็เวลาที่เหลือเห็นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมันง่ายไม่ต้องใช้เทคโนโลยีหลายคนขับรถผ่านาปุ๊บฟิตเนสปุ๊บเลี้ยวขึ้มาปุ๊บขอดูเครื่องมือหน่อย <c oughs> <c oughs> นะนะนะมาแบกมาหามามามามาเพาะกายนะส่วนมากเราไปเข้าใจชีวิตหมายถึงกายภาพเราละเลยเรื่อ ง, งจิตวิญญายหมด นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พอกูก็มีอะไรที่จะมาคุยกันเนาะแต่ชั่วโมงนี้มีคำถามเนะจากเสียงกระทบหูรับรู้ที่ใจให้ดูเป็นวงกลมหรือหรือวงรีทางอย่างไรคะไม่เห็นวงขาดไม่ต้องไปดูมันพอ ก, กูบอกแล้วไม่ต้องเพ่งไม่ต้องดูเข้าๆเข้าๆนะ คือธรรมชาติเนี่ยพ่อครูเคยถามคุณหมอคนหนึ่ง mm hmm. เขาสเปเชียลไลส์เรื่องหูนะ mm hmm. พ่อครูถามคุณหมอ mm hmm. มนุษย์เราเอา mm hmm. เอาวิวัฒน์ตรงไหนได้ยิน mm hmm. ก็บอกหูพ่อครูบอกไม่ใช่ mm hmm. คุณหมอบอกเอ้ยไม่ใช่ได้ยังไงพิสูจน์ยังไงนะพ่อคบอกคุณหมอเนีเคยมีประสบการณ์บางวางคืนนี่ยนอนหลับเสถียเลยลูกร้องไห้ทําไมคุณหมอไม่ได้ยินพ่อครูไม่ได้ปิดทําลายระบบประสาทถึงคุณหมอทั้งหมดเลยทําไมไม่ได้ยินอ่ะหูจริงไหม นะคำว่าหูนี่ต้องประกอบด้วยใบยหูประสาทหูติ่งหูอย่างนี้นะประสาทหูเนี่ยแล้วก็วิญญาณหู ด, ด้วยถ้าวิญญาณหูมันเกิดดับช่วงนั้นมันดับมันไม่ทํารับกระแสเนี่ยเราไม่รับรู้อ่เหมือนคนนี้ตายใหม่ๆปุ๊บเนี่ยหูก็ยังไม่เน่าใช่ไหมทำไมพิได้ยินเนาะทำไมสมองคิดไม่เป็นทำไมใจไม่เต้นอ่าทำไมหัวใจคนเต้นที่นี้มีหมอ หมอผ่าตัดเันไงหรอกคุณหมอเคยเห็นหัวใจมาเห็นที่ผ่าตัดบ่อยๆทําไมหัวใจมันเต้นคุณหมอนั่งงง ม, มันเต้นด้วยตัวคนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องมีพลังงานอสมมติเอาคนนี้ตายใหม่หัวใจยังไม่เน่าเลยทำไมมันหยุดเต้นรีบผ่าตัดเอาเอ า, เอาหัวใจที่ก้อนนี้มันหยุดเต้น เ, เนี่ยไปเปลี่ยนให้คนอื่นทำไมมันเต้นขึ้นมาอีกเห็นไหมเนื่องจากพิษศาสตร์เราไม่ได้ติดจ่อลูกเรื่องบิญยา เมือนคนนี้ตายปุ๊บเหมือนว่ า, าโรงงานเราเนี่ยเอาคัดเอาลงปุ๊บเครื่องจักรหยุดเลยเห็นไหมเวลาเราตายปุ๊บจิตวิญญาณมันออกจากร่างเราไม่รู้สึกไอ้ตัวรู้สึกคือจิตวิญญาณไม่ใช่กายนะไม่ใช่กายแต่ว่ากายมีความสําคัญ ถ้าเราไม่มีกายนี่เราก็รับผัสสะไม่ได้รับผกระทบไม่ได้มันเป็นตัวรับผัสสะแต่ตัวรับรู้คือวิญญาณนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวชั่วโม ง, ง, ง่อไปจะรับฟังแต่ว่าพอถามแล้วเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินเสียงที่หูโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะส่งมารู้ที่ใจสมมุติว่าเรากึ่งหลับขึ่นตื่นเด็กร้องปุ๊บเนี่ยเราจะได้ยินแต่เราไม่รู้ว่าเสียงอะไรมันต้องส่งไปให้เว็บไต์เราเนี่ยกล่องบันทึกโปรแกรมกล่องดังเำนะ ถ้าไอ้ตัวนั้นมันตื่นเนี่ยมโนวิญญาณมันตื่นอยู่มันจะรู้ว่าอ๋อในแดงมัน้องแต่ถ้าเป็นฝรัง่งเขาจะรู้ว่าอ๋อมิสเตอร์เรนเราบันทึกความรู้ในภาษาที่ต่างกันเด็กอายุสองขวบยังไม่ไปโรงเรียนมันยืนอยู่ตรงนั้นมีรถเก๋งสีแดงคันหนึ่งวิ่งมาเขาไม่รู้ว่าอะไรสีอะไรแต่สัญชาตญาณมันมันก็หลบเห็นไม มันไม่ได้ไปทึกสัญญาว่ามันไม่เคยรู้ว่าอันนี้เรียกว่ารถอันนี้เรียกว่าสีแดงพอเริ่มเข้าไปโรงเรียนปุ๊บก็ไปเรียนรู้เนี่ยอันนี้รถเก่งนะรถกระบะนะยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้สีมันก็เลยเริ่มเริ่มรู้เรื่องสีเออสมมุตัว่มันชอบสีแดงบังเกิดวันหนึ่งคุณพ่อซื้อสีเหลืองให้ก็รู้สึกไม่พอใจไอตัวนี้ตัวนี้เนี่ยความรู้เหล่านี้เป็นตัวความรู้ที่เราไปปรุงเข้าไปเองนะ ปกติมันบริสุทธิ์มันรู้ตรงๆเลยนะเมื่อมันรู้ตรงๆงเลยสิ่งหนึ่งวิ่งมาสัญชาญาณมันก็โหลงมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าอยากได้หรือไม่อยากได้เอาล้วนะนี่นี่คือกระบวนการทํางานของร่างกายเราทําไมพ่อครูรู้พ่อครูเห็นเนี่ยสามชั่วโมงที่มันเกิดขึ้นกับพ่อครูเนี่ยเรียกว่าบุญเยอะมากนะบุญเก่าเยอะมากที่พ่อครูไม่รู้เรื่องศาสนา ถ้ารู้ปุ๊บเวลานั้นเราก็ต้องถามว่าเอ๊ะมันเรียกว่าอะไรเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าว่ามื่อจะไปเอ๊ะปุ๊บเนี่ยมันไม่มีพลังแต่สามชั่วโมงนั้นการทํางา น, ขงนเข้ามานี่เราเห็นหมดเลยว่ามันคืออะไรเราไม่ต้องเรียกชื่อมั น, นแต่ถ้าพ่อคูรู้วิชาการปุ๊บพ่อคูจะเรื่องนี้เอ๊ะมันอะไรพอคิดเรื่องนี้ปุ๊บอย่างอื่นไม่เห็นเลยพวกคูเห็นทั้งหมดขบวนการทํางานของสรีระร่างกายไม่ กูก็ถามคุณหมอว่าคุณคุณหมอแกบอกว่าแกเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งว่าจิตอยู่บนสมองพราะรูว่าเวลาฟ้าผ่ามาตกอะไรตกสมองใช่ไหมหรือตกใจตกใจบางทีตกใจเนี่ยไอ้กล้ามเลือดหัวใจเนี่ยมันช็อกเนี่ยหัวใจวายเลยมันหายใจไม่ทันนะมีคุณลุงคนหนึ่งเป็นเกษต น, น ก, กรดีเด่นล่ะมาเรียนรู้กับพ่อครูแล้วก็ขยันทํา แกเป็นไส้ติงแต่อยู่บ้านปีสองก็ให้ลูกชายมาเรียกก่อนหน้าในเกือบยี่สิบปีก่อนในหมู่บ้านมีรถรพ่อครูคันเดียว พ, วาพา่อครูก็พาวิ่งไปอาณาไมอนาไ ม, ามเขากลับไว้อีกสองวันฮะแล้วก็ไม่หายเขาก็ส่งไปที่อำเภอพิบู์ก็กลับไว้อีกคืนนึก็ส่งไปโรงพยาบาลใหญ่ที่บนเขา เขาเปเอ็กซเรอะไรเนี่ยเขารีบผ่าตัดเลยนะคุณหมอเสร็จแล้วถามว่าคุณลุงเป็นมากี่รอบทำไมคุณลุงทนได้เพาพ่อคเป็นเยี่ยงแกบอกพ่อคูถ้ามันไม่หมุนเนี่ยผมคงตายแล้วไอ้ไส้ติ่งแตกเราไม่ต า, ต, ตายเพราะไส้ติ่งแตกเราตายเพราะเราทนความเจ็บปวดไม่ได้หัวใจมันที่มันเจ็บที่ใจไส้ติ่งนั้นเจ็บสิบเอร์เซนตแต่อุปทานที่เจ็บที่ใจนั้นเก้าสอร์ซ อารมณ์ของจิตเนี่ยมันมีเอฟเฟกมันมีผลกับกายภาพเมื่อเราเดินไปกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าผีพีผีเมื่อกี้เดินมาดีๆเนี่ยขาเข้าไม่ออกเลยถามว่ามันเป็นอะไรอันนี้เขาเรียกว่าโรคอุปทานพวกกูเคยบอกคุณหมอคุณหมอใช้เวลามาศึกษาหน่อยหนึ่งถ้าเอานี่ไปบวกไปเราจะช่วยเหลือมนุษยชาติไม่ได้น่ะเดียนนอกก่อไม่ได้เพราะมันขัดจรยาบรรพ์ โอเคเรื่องี้เราค่อยคุยกันทีหลังเนอะก็ไม่ต้องไปดูว่ามันมันเพราะครูคูดคร่าวาไว้อ็อย่างนี้แหละเอออย่างนี้แหละไม่ต้องไปดูมันเราเป็นหนึ่งกับตรงนั้นน่ะนะมันหมุนไปหมุนช่างมันนะธรรมชาติเนี่ยมันได้ยินมันรู้ที่ใจแล้วล่ะเพียว่าถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันจะเกิดเวทนาว่าชอบเสียงนี้ไม่ชอบเสียงนี้แล้วก็วิ่งมาที่อีกแล้วก็ไปเรื่อยๆเหมือนเราอย่าไปดูว่ามันเป็นวงรีหรือเปล่าคล้ายๆคร่าวๆแบบนั้นนะ เดี๋ยวมันเร็วมันสตารททีหนึ่งเนี่ยเหมืนเราหมุนลูกคางเนี่ยเราต้องใช้สองนิ้วหมุนปุ๊บมันก็เวี่ยงเวี่ยงเวี่ยงเวี่ยงเวี่ยงเบี่ยงเวี่ยงเหมัอนกรเซไปเซมาเมื่อมันเบี่ยงเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันจะอยู่ในศูนย์กลางเลยอันนั้นถ้าในทางจิตเขาเรียกว่าเอกข้าตาลงนะเมื่อแรงเบี่ยงมันมากกว่าแรงดึงดูดของความคิดแล้วก็อารมณ์อยากที่ใจมนุษย์เรามีพลังงานอย่างหนึ่งซึ่งมันหยุดไม่ได้นอนหลับมันก็ทํางานก็คือหัวใจเต้น เห็นไเราอยากหัวใจเต้นไหมหรือเราไม่อยากหัวใจเต้นไม่ใช่มันเป็นเต้นเพราะเราอยากเต้นนะเราหายใจไม่เพราะเราอยากนะไม่มันเป็นหน้าที่แล้วมันซื่อสัตย์มากนะแล้วสุดท้ายเป็นโรคอะไรตายก็ช่างหน่อยคุณหมอก็วินิจฉัยมาออกสมบูปปรณ์บอกว่าก็สรุปง่ายๆก็คือหัวใจลม้มเหลวถ้ามันไม่ลมเหลวจะตายได้ยังไแงแน่นอนมันต้องลมเหลวมันต้องไม่หายใจแล้วเลยนะทีนี้เราต้องรู้ว่าหัวใจมัน เต้นได้อย่างไรถ้าไม่มีมโนวิญญาณหรือพลังจิตเนี่ยมันเต้นไม่ได้เข้าใจหมนะเหมือนหูนั่นแหละคาว่าหูเนี่ยมันบวกด้วยกายอย่าภาคคือใบหูเนี่ยมันรับมันมันมันมันกลางเนี่ยรับรับรับเสียงนะนะประสาทหูอะไรมันก็ดูเข้ามามันเหมือนเลด้าแต่ไอตัวรู้นั่นคือตัววิญญาณกู มันก็ส่งมาให้มโนวิญญาณส่งเข้าไปในในกล่องบันทึกสัญญาเราไอ้ตัวนั้นเรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณที่ใจไอ้ตัวนี้แหละทาให้หัวใจเต้นนะแล้วก็มันรับรู้ด้วยผ่านผ่านก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่มีหน้าที่ปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายโกดังเก็บบอลลมวิญญาณที่หูมัต้องอาศัยหูซึ่งเป็นกายภาพเนี่ยเป็นเป็นประสาทรับรู้ นะอันนี้เรียกว่าวิญญาณทั้งหมันจะลิงกันแบบนี้นะแหนะละเราก็ใช้อุบายตรง น, นี้เรามีพลังตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สร้างพลังขั้นนอกเนี่ยสร้างเสียงมากระทบหูมันเหมือนเราเฟี้ยงฟุตบอลน่ยเบสบอลหรือว่าเทนนิสติดเข้าไปข้างฝาเราเฟี้ยงเบาปุ๊บมันก็อ impact มาเบาเราเฟี้ยงแรงก็อิมแพกมาแรงมันอิมแพกมาแรงเพราหัวใจนี่มันหวงจิตมากมันกลัวจะทิ้งมันมันก็เป้นแรงขึ้น อันนี้คือเทคนิคเมื่อมันเกิดแรงดึงสองขวดมันก็เกิดแรงเหวี่ยงขึ้นเนี่ยจิตหมุนแล้วเนี่ยมันจะเกิดลมปานในร่างกายออกอันนี้ได้สองอย่างเมื่อจิตมันหมุนแล้วมันออกจากใจปุ๊บใจเนี่ยเขาปลอดโปร่งมันถูกจิตกดทับไว้ตั้งนานเนี่ยมันก็ปั๊มหัวใจเร็วขึ้นไ อ, อมมาา้อัมพาตอัมาพฤกษที่ว่าเป็นเป็นโรคเรื่องอเส้นโลหิตที่เนี่ยเดี๋ยมันพองหมด นะเรื่องนี้หมอบัญชาเนี่ยเขาเป็นอาจารย์หมอเนี่ยเขาไปฝึกกับพ่อครูเขาไม่รักษาเขาบอกว่าไอ้ความดันสูงแล้วก็กินยากดมันไว้เพราะเรากลัวท่อแตกเหมือนท่อน้ำนี่ใช่ไหมท่อน้ํามันตันเนี่ยใช่ไหมมันมีพวกเศษขยะตันนี่เนี่ยมันก็ไปไม่เต็มที่แต่ที่นี้ถ้าไปมันเบรกปุ๊บมันจะแตกเรากลัวมันแตกเราก็เลยกินยากดมันไว้มันก็ยังตันอยู่เหมือนเก่า พอผ่าตัดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวมึนมันก็ไปโป่งพองที่อื่นนะเพราะว่าถ้าเราไม่ล้างท่อนะต้นเหตุคือมันนัดมันตันเราต้องทําล้างท่อไม่ให้มันตันไม่ใช่ไปกดมันไว้ทุกวันนี้รักษาผิดพอเราดึงจิตออกมาหัวใจมันว่างมันมันปั๊มเลือดโดมหล่อเลี้ยงร่างกายแรงขึ้นแล้วก็มันได้ออกกําลังใจด้วยกล้ามเนื้อหัวใจก็แข็งแรงโรคหัวใจขั้นสุดท้ายน่ะฟื้น แต่ถ้าหัวใจเราไม่รู้เราไปออกกําลังกายมันเต้นแบบนี้นะนคุณหมอว่าเต้นได้ยังไงหัวใจวายถูกถ้าคุณใช้สมองเต้นแต่ถ้าคุณใช้จิตเต้นเนี่ยจิ ต, จตมันรู้ว่าต้องทําแค่ไหนหัวใจฟื้นหัวใจขแข็งแรงขึ้นแรกๆเราเต้นอาจจะว่าเหนื่อยเห็นไหมเราเหนื่อยเราไม่เคยเนยเห็นไหมเวลาเราออกกําลังกายเราก็เหงื่อไหลใครย้ยยอยร่างกายมันรู้สึกเหนื่อยต้องยอมรับความเหนื่อยนั้นเพื่อแลกความแข็งแรงอันนี้คือ ไม่ใช่ทฤษฎีนะมันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นจากสรีระมนุษย์นะอันแหละเพราะครูเลือกเสียงจริงๆแล้วรูปก็ได้ที่เขาเพ่งกับสินเพ่งอะไรอะไรนั่นแหละอันนั้นแหะไปดูดวงแก้วดูอะไรเนี้ยนคือเพ่งกัสินแต่มันเล่งไม่ได้นะนะเราสนใจที่ตาไอ้ใจมันก็เต้นดึงเข้าไปมันก็ดึงอยู่มันก็เกิดแรงหมุนได้ถ้าเราจะลองนะเราเอายาอมมาอมเนะี่ยอันนีรล มาดูรถที่ดินมารู้ที่ใจเดี๋ยวมันก็เกิดแรงหมุนดึงแต่มันเร่งไม่ได้พลังมันไม่พอแต่มันได้เจริญสตินะเพราะครูทำมาหมดแล้วสุดท้ายพรอคูเลือกเสียงเสียงเนี่ยผู้ปฏิบัติไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาเลยเราสร้างให้เบาก็ได้เร็วก็ได้นะถ้ามันกระทบแรงเนี่ยหัวใจมือเต้นแรงเหมือนกันมันจะดึงไปดึงมาดึงมา แรงเหวีย่ยงขึ้นถ้าวินาทีนั้นแรงเหวีย่ยงมันมากกว่าแรงดึงดูดของใจแล้วเนี่ยมันจะอิสระเข้าไปสู่จิตในจิตขอครั้งเดียวเมื่อเราเปิดประตูบ้านเข้าไปได้แล้วทีนี้เราจะเข้าออกมาไหใก็ได้เราว่างปุ๊บเราก็เข้าไปสานส า, ส า, สานคดีความเรานี่คือขัดเจอาจิตในฝังใส่มวลแจ่เอาจิตมาฝึกสติสุสมาธิมาเพิ่มกับวัตถุที่แต่ไม่ได้เข้าไปสานสารคดีความนะ ครนะูบาอาจารย์เราก็แสดงให้เห็นแล้วบวชสามสี่สิบปีแล้วเนี่ยเจริญสติแล้วสุดท้ายก็หลุดออกไปแต่งงานแต่งงานมีสิทธิที่ไม่ใช่เรื่องเลวไหลนะแต่มันน่าเสียดายเราไปติดบ่วงตรงนั้ น, น่ะลองไม่ได้เข้าไปในจิตในจิตเข้าไปถึงกล่องปัญญาและไม่ได้เข้าไปสะสารคดีความที่มันบันทึกเป็นสัญญาอยู่ในนั้นนะอันนี้หลักการมันอยู่แค่นี้แล้วก็ ไม่ต้องสนใจนะครับอย่าไปดูว่ามันมีวงหรือเปล่านะ <K ers> คือเข้าๆทํ า, า, า, าไปเรื่อ ย, อย <K ers> ๆนะไม่ต้องหาวิธีว่าจะทํำยังไงก็ทําไปอย่างนั้นแหละนะมันเด็กๆไม่รู้เรื่องเลย <K ers> เด็กๆเข้าไปในจิตง่ายมากเพราะเขาไม่ต้องคิดเ <K ers> ขาไม่มีลังเลสงสัยบอกให้ทําก็ทำเนาะแต่เนื่องจากเขาเข้า <thriller> <K ers> ไปง่ายเขาก็ไม่มีความรู้สึกกระตือรือร้นจะทําเพราะว่าเขาไม่ทูกมันก็เป็นมันมันสองอย่างนะพวกเราอยากจะปลดทุกข์ แต่เนื่องจากว่าเราก็ไปหลงที่เรามีความรู้ไง้ความรู้ทําให้เกิดลังเลสงสัยนะเต้นไม่ได้ทําอย่างไรทำอย่างไงดีครับไม่ได้นี่เพราะคุณไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงเออขามันเจ็บบวดหรือว่ายังไงเนาะหรือเต้นแล้วเนี่ยมันยังไม่เข้าไปในจิต น, นะถ้ายังไม่เข้าไปในจิตก็เต้นต่อไปนะอย่าไปหวังอะไรทั้งนั้นนะถ้าวัน เว้นวินาทีนั้นถ้าในทางโลกว่าเราเผลอเราเผลอที่จะไปควบคุมมันนั่นแหละมันจะไปเลยที่มันได้ไม่ได้เพราะคุณบอกว่าอย่าตั้งใจนะตั้งมัน่นตั้งมั่นคือว่าเออทอทอลี่อยู่กับมันแต่ว่าดีแลนถ้าตั้งใจพูดบไอตัวตั้งใจมันจะดึงจิตว่าเห็นไม่ต้องตั้งใจให้ตั้งมันสนุกสนานเดี๋ยวมันไปเองนะ ต, ต้องสัมผัสด้วยตัวเองเองเพราะกูพูดมันอาจจะเข้าใจลางๆแต่มันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้ไม่ยากครับสามวันนี้ทุกคนทำได้หมดถ้ายืนไม่ได้จริงๆกันเดี๋ยวก็กนั่งข้างหลังมีเก้าอี้ น, นะครับแต่ถ้าว่ายืนเต้นแล้วมันยังทำไม่ได้ก็เต้นต่อไปไม่มีอะไรยากครับ มีประโยคที่ทางพ่อครูยกตัวอย่างเรื่องนักมวยที่ว่าต้องคิดให้ตัวเองแพ้ไว้ก่อนพ่อครูไม่ได้พูดนะพ่อครูพูดว่าบางคนเนี่ยเขาคิดลบ ก, ก็ครูแพแ้แน่เลยนะคนแพ้แน่มันก็ไปชกแต่พอมันแพ้แล้วมันก็ไม่ไทุกอะไรเพราะว่ามันมันเตรียมใจแล้วพ่อครูไม่ได้บอกให้คิดให้ให้คิดว่าแพ้นะส่วนในคิดบวกนะกูชนะแ น, แน่เลยนะสมค ว, ว่าเขาชนะแล้วเนี่ย สิ่งที่เขาฉันมาเกิดจากเขาเบียดเปบีย น, น, นคนอื่นแพ้ถ้าในทางจิตวิญญาณเขาทาบาปแต่ทุกวันที่สอนหมดละเพราะว่าเรามีความอยากเราก็คิดบวกนะเราคิดบวกเพราะเราอยากนะเอาเป็นว่าพ่อครูขอขอแก้ก่อนว่าพ่อครูไม่ได้บอกว่าให้ต้องคิดลบพ่อครูบอกว่าไม่ต้องคิดลบก็ไม่ต้องคิดบวกเรามีหน้าที่ชคเราก็ตั้งใจชคอย่างมีความสุขมันเป็นหน้าที่เราไง การชก ม, มันเราไม่มีจิตอาสาที่จะทําร้ายมันแต่ว่ามันเป็นเกมเราชกอย่างมีความสุขเออถ้ามันแพ้เราก็รู้ว่าเออเราซ้อมม่แค่ไหนแพ้เพราะอะไรถ้ามันชนะก็รู้ว่าชนะเพราะอะไรเราไม่ยินดียินได้กับการแพ้กับชนะเพียว่ายกตัวอย่างว่าเออคนคิดลบแล้วแล้วทําให้ดีที่สุดหากแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะทําใจไว้แล้วแต่ในทางจิตวิทยา NLP ที่เคยศึกษาก็ถูกแล้วไงอันนี้ศึกษาให้คิดบวกอันนี้คือสนองกิเลสเขารู้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีความอยากชนะอยากสำเร็จและมีใครบ้างอยากแพ้ทุกคนก็ไปเรียนโปรแกรมเหมือนกันสุดท้ายมันก็เท่ากันใช่ัหมเราเพิ่มเทคโนโลยีได้เขาก็เพิ่มเทคโนโลยีได้เขาเพิ่มเราเทคโนโลยก็เทคโนโลีได้และเมื่อไหร่ชีวิตเรามันจะหยุดสถีทีนะ จะให้เราบอกกับตัวเองว่าเราต้องชนะเราต้องทำได้คือประมาณว่าคิดในแง่ดีนั่นแหละคำว่าเราคิดบวกว่าเราชนะเนี่ยทางโลกทางจิตวิญญาบอกว่าในแง่ดีแต่ในทางจิตวิญญาณบอกว่าเป็นความชั่วหลายอย่างยิ่งคุณจะไปเปลี่ยนเปลีป่ยนคนมันดียางไงความอยากนี่คือที่มาของถูก แต่ในทางโลกเป็นเรื่องเกมเป็นเรื่องธรรมดาก็ทําไปแต่ถ้าพูดถึงเรื่องชีวิตแล้วเนี่ยเห็นไหมเราบอกว่าเราคิดในแง่ดีก็คือว่าต้องชนะแต่ในทางศ า, ศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเรายองแพ้คนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคนมันกลับกันนะนะ ทางโลกมีแต่ อ, อหาจิตวิยาคิดบวกคิดบวกเพราะว่าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่พอไงเออการชนะของเราเกิดจากเราต้องทําลายให้คนอื่นเขาแพ้ก่อนเราเราดีใจมากเมื่อคนอื่นมันนั่งร้องไห้มันเป็นบาปแต่ไม่ใช่เรื่องถูกมันเป็นเกมก็ทําไปพ่อครูถือว่าไอ้คนทางโลกทำเนี่ยเป็นเรื่องวิชาชีพเขาแต่คนในทางศาสนาไปส่งเสริมเพนั้นปุ๊บเนี่ยพ่อคูไม่เห็นด้วยนะ ในหลวงรัช ก, กาลที่เก้าก็บอกเนยเอาลอสอิสซาเดนขาดทุนของเราคือกำไรทางโลกขาดทุนคือกำไรได้ยังไงเสียเปรียบเลยไหมเราเป็นผู้แพ้ไงเราเป็นผู้แพ้คือเราเป็นผู้ให้ให้เขาดีใจเขามีความสุขเราได้บุญแล้วนะอันนี้จุนจุนดีน ะ, ะคำถามนี้ดีมากแล้วก็ แล้วตัวเราก็จะหาวิธีที่ทำให้ตัวเราสำเร็จแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะแพ้ไม่สำเร็จเราก็จะเราก็จะตันแต่หากเราล้มเหลวก็ให้นำความล้มเหลวนั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อให้เราไปพบความสำเร็จในที่สุดอยากทราบว่าเราสามารถใช้สองแนวทาง นี้ร่วมกันได้อย่างไรและได้หรือไม่คะพรอครูบอกแล้วว่าแค่ไม่ต้องคิดลบก็ไม่ต้องคิดบวกอย่าอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทำงานทุกวันนี้ยี่สปดปีพ่ะครูทำงานมากกว่าเราแต่พวกครูไม่เหนื่อยเพราะครูพครพูไม่มีความหังเมื่อเราหวังว่าเราชนะล้วก็รุนเนี่ยไอรุนนี่เครียด น, นะ ลุนตั้งแต่วันแรกที่ฉันอยากชนะคิดบอกว่าอยากชนะนะแะก็กลัวแพ้ลึกๆคือกลัวแพ้ถึงคิดว่าจะชนะมันเป็นตัวตัญหาทั้งนั้นแหละนะถ้าชกเพราะความอยากบางทีขาดสตินะบางทีทำแรงเกินไปอย่างเราชกมวย น, นี่นะไม่ใช่คนชกเก่งชนะนะคนหลบเก่งชนะเชื่อไหมนะชกมาหลชบชกมาหลบเดี๋ยวมันเป็นลงตายเองนะ บางทีเนี่ยนี่คือคือวิสัยไอ้ทุนนิยมแข่งขันเสรีนะไม่มีใครจะแข่งขันคิดว่าเออฉันแข่งขันฉันต้นองการแพ้อันนั้นเรื่องเกมทุนนิยมแข่งขันเพราะที่บอกว่าทุนนิยมเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะมันเป็นเทคนิคในการบริหารองค์กรบริหารประเทศบริหารอะไรอะคอมมิิสต์ก็ไม่ใช่ไม่ดีสังคมนิยมก็ไม่ใช่ไม่ดีพฤติกรรมก็ไม่ดีมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งมันอยู่ที่คนคนนั้นนะ่ะเจตนาเขาอยู่ที่ไหนเห็นไหม มันก็อยู่ที่ทีนี้ทุนที่จงไม่เป็นไรแต่ว่าแข่งขันเสรีเนี่ยมันไม่ค่อยดีมันเป็นตัวเล่งเราเนี่ยให้เราพวกเราเครียดให้เราทําลายล้างกันตัวนี้ไม่ค่อยดีอย่างโลกเหล่านี้ถ้ามานั่งคุยกันนะว่า <c oughs> เขาอยู่อเมริกาเขาอยู่ยุโรปที่นี่อยู่นี่ดิฟ้าอากาศเป็นยังไง ถ้าเราตรงลงกันว่าเออเธอที่นี่เธอมีแรกเลยนะที่โน่นฉันไม่มีนะ่ะเราก็ผลิตไในที่เรามีอันนี้ก็ผลิตตัวนี้เดียไม่ต้องไปทำลายโลกมากแล้วก็เออเหมือนแลกเปลี่ยนสินค้ายอย่างนี้นะ่ะอันนี้เธอก็ผลิตรถจ น, นก็ผลิตรน์เข้าใจว่าแล้วก็มาแข่งกันตายมันไม่ใช่ความชาญฉลาด ข, ของมนุษยาชาติแต่เนื่องจากว่ามันแข่งขันเสรีไม่รู้ล่ะฉันทำทุกรูปแบบจะชนะเธอ ตอนนี้ภาษาทุนนิยมเนีเขาพูดหน้าตาเฉยว่าต้องเพิ่มอาวุธทางปัญญาหน้าตาเฉยนะเพราะกูถามว่าเจ้าอาวุธเนี่ยไปฆ่าลิงหรือฆ่าเสือเลยไหมทำลายคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นมนุษด้วยกันเองแค่คิดเฉยๆก็เป็นบาปลแล้วแล้วไม่ใช่คิดเฉยๆเขาทำจริงๆเธอก็ทุบเพิ่มจะเพิ่มเขาก็ทุบเพิ่มจะเพิ่มทุกคนทําลายทรัพยากรทั้งหมดเลยแล้วตอนนี้เราจะอยู่ไม่ได้นะโลกใบนี้เนี่ย มันขาดสมดุลแล้ววันหนึ่งเจอะน้ำมันขึ้นมากี่ล้านบาทเร็วเพื่อมาแลกเป็นเงินมันก็เป็นโพงหมดมถึงแผ่นดินไหวไงนะเราไม่ดูองค์รวมของมนุษยชาติทุนนิยมไม่ได้ผิดแต่แข่งขันเสรีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการหมุนเกิดจากอะไรครับ เมื่อหมุนแล้วจะหมุนมากเหมือนกายกับใจยังไม่สัมพันธ์กันใจอยากหมุนเร็วอีกแต่กายตามไม่ทันเราควรทำอย่างไรครับมันยังไม่สมบรุ์ครับไม่ต้องไปไปไปตั้งใจเร่งมันมากเนะาะทาที่บอกว่าเออใส่เจตนาช่วยมันน่าละแต่เจตนานนต้องพอดีให้กายจิตเป็นเป็นหนึ่งเดียว <c oughs> อย่าใจร้อนครับไม่หีุทีชั่วโมงข้างหน้าเราก็ทาได้ รถยนต์มันจอดมาหลายปีแล้วแล้วก็เข็นเขนเข น, นะทีนี้พอเราเข็นติดปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปเปิดแอร์ได้เปิดวิทยุได้พอใส่เกียร์ปุ๊บมันก็ดับอีกเพราะพลังมันไม่พอเราก็ต้องเร่งเครื่องเร่งเครื่องนะแล้วก็ใส่เกียร์ไปนะแต่เร่ง น, นี้ต้องเร่งพอดีนะครับอย่าทำอะไรที่เกินกาลังเราเนี่นะ การปฏิบัติจิตต้องยึดหลักมัชิมาปฏิเวทพาคือทางสายกลางความพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนะเราทำเท่าที่เราทำได้นะบางทีเราเร็วอาจจะได้ชั่วโมงหนึ่งแต่มันช้าหน่อยก็เป็นสองสามชั่วโมงนะอันนั้นไม่เป็นไรคนระับค่อยๆทำไปส่วนมันหุนได้อย่างไรครับเมื่อกี้พระครูอธิบายแล้วมันเกิดจากแรงดึงสองส่วนนะ ทำไมพลังงานเรามีอยู่แล้วหัวใจมันเต้นอยู่แล้วมันดึงจิตอยู่กับเขาตลอดชีวิตคําว่าจิตอุทิศดวงใจทำเห็นทำเลยไม่ใช่มันหนีออกจากล่างนะให้มันหลุดออกจากความเป็นทาตุของใจให้จิตอิสระแล้วต่อไปเนี่ยฟ้าผ่าลงมาไม่ใช่ตกใจนะตกจิตไม่ตกใจหัวใจไม่เกี่ยวเลยตอนนี้ดีใจก็ลงใจเสียใจลงใจน้อยใจลงใจหัวใจเราล้มพังละหนักมากนะ ทุกคนเป็นโรคจิตโรคใจเปลเป็นโรคหัวใจเป็นโรคจิตจิตไม่อิสระ <c oughs> อันนี้เรากดปล่อยทั้งสองด้านถ้าจิตมันออกมาแล้วเนี่ยจิตอิสระมันจะเกิดปัญญาต่อไปอารมณ์ที่ใจกิเลสมันออกเราก็ไม่ได้แล้วหัวใจมันก็เบามันก็มีปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายมากที่สุดมากกว่าเก่าเห็นไหมกล้ามเนื้อเราจะแข็งแรงขึ้นเราเคยเหนื่อยเราจะไม่เหนื่อยทุกวันนี้พ่อคูขับรถกี่พันกิโลก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะมันเหนื่อยอยู่ที่ใจ นะแต่ระวังร่างกายเรามันมากขึ้นเราก็ดูแลต่างๆอัแต่ภาพเหนื่อยมันเป็นเวทนามันเกิดขึ้นที่ใจจิตไม่มีวันเหนื่อยนะครับพ่อครูขาท่าที่หนูยืนลงออกหูเลยต้องนั่งคาดหนูกราบขอโทษนะคะพ่อครูขาไม่เป็นไรหรอกนะมันกําลังขับออกอยู่มันออกได้ตาหูจมูกลิ้นกาย มันออกได้ทุกส่วนบางคนส่วนใหญ่นะที่จิตมันระเบิดเนี่ยมันจะออกข้างบนมันจะพุ่งออกข้างบนบางทีออกขูดได้ด้วยนะบางทีออกทางปากทางจมูกนะครับเวลามันปรับลมปาลเนี่ยมันออกได้ทั้งหมดบางทีเราฝุ่นนานๆเนี่ยถ้าว่าเราเข้าไปในฌานเนี่ยนะหลายเดือนนั่งอยู่ในถ้ำเหมือนคนไม่หายใจเลยมันหายใจทางผิวนก็ได้แต่หายใจน้อยมาก ถ้าเราฝึกวิชานี้เกิดเขามีอาวุธนิวเคลียร์สงครามนิวเคลียร์น่ยเราจะรอดนะครับไม่เป็นไรครับทําตามเหตุปัจจัยเมื่อเหนื่อยเราก็พักนะไม่ต้องมีที่นี่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเพียงแต่ว่าทุกคนมาฝึกสติคุมปัญญาสติคุมสติปัญญาต้องไปด้วยกันไอตัวจิตคือปัญญาเมื่อมันปลดปล่อยแล้วเนี่ยมันไม่มีสมมติปัญญาไม่มีมารยาแมันต้องการปลดปล่อยตัวเองแต่เนื่องจากเราอยู่กับหมู่คณะ นะสติต้องคุมจันนั้นได้สติปัญญาต้องไปด้วยกันรู้สึกว่าตัวเองเบี่ยงได้แรงขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ไม่แรงพอที่จะทําให้ทะลุผ่านเข้าจิตได้ควรทำไงดีคะที่จะช่วยให้ไปถึงจุดนั้นได้คะคําถามนี้คือพยายามที่จะหาะวิธีที่จะให้มันเร็วขึ้นนี่คือสัญญาใจใหญ่ของเรานั่นแหละไรต้องมีกําหนดห า, ยาวิธีแก้ไข คิดหาวิธีแก้ไขเราก็คิดอีกแล้วเพราะกูบอกว่าสัตว์รู้สัตว์เห็นนะไม่ต้องคิดหาวิธีนะก็คือทําต่อไปเพราะตอนนี้เนี่ยพลังมันไม่พอเราก็ทาําสะสมแป้งไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเด๋ยวมันก็พอบางคนเอ้เมื่อไหร่จะเข้าไปบางคนเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มันจะออกมาเนี่ยมันเหนื่อยมากมันยังไม่ยอมอยู่เลยคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเป็นอย่างนี้เนาะ ก่อนหน้าทีโอ้ยอยากไปเมกาพอไปปุ๊บปมคิดถึงบ้านโฮมชิก็อยากจะกลับมานะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับก็ก็เพิ่งวันแรกเนาะไม่กี่ชั่วโมงเนี้ยนะเราก็สัมผัสสิ่งหนึ่งอยู่ในตัวเรามีพลังงานอย่างหนึ่งนะก็เราทาต่อไปจังยังมีเวลาแนวที่เราปฏิบัติไม่ได้ถามว่าปฏิบัติมา ก, กี่ปีได้ฌานเท่าไหร่นะเรานับเป็นชั่วโมง แต่และชั่วโมงมจิตเราก้าวหน้ามาสาศยที่เราเข้าไปในจิตได้เนี่ยยังเขาไป่ยางครูบาอาจารย์บวชมาสามสี่สิบปีห้าสิบปีมันนั่งสติยังเข้าตรงนี้ไม่ได้เดีย๋ยวพวพ่ไปหลงติดอยู่ที่การเจริญสตินะเออพวกครูหลายปีเนี่ยครูบาอาจารย์เขาไปแลกเปลี่ยนเขาก็กลัวพวกครูสอนผิด <c oughs> วิธีพวกครูเนี่ยมันก้าวกระโดดระวังนะขึ้นบันไดก้าวโดยทตกลงมา มันต้องขึ้นทีละขั้นก็รบอกถูกแล้วต้องทีละขั้นแต่อย่าไปถามว่าปฏิบัติมากี่ปีได้ฌานเท่าไหร่ต้องถามว่าปฏิบัติมากี่ชาติอย่าลืมนะงั้นเราปฏิบัติมามันสูญเปล่าไม่ใช่มานั่งนับหนึ่งใหม่นี้ตายก่อนกระแสกรรมอะไรแบบนเราผู้เจ้าสอนกายในกายเวทนาในจิตในจิตต้องเข้าไปในจิตในจิตเราศึกสามา ปเป็นเศษทําในธรรมแล้วเอาบารมีเก่าเลยมาต่อยอดสมมติว่าจิตเดิมเราจบปริญาโทรเรามีเหตุผลไม่จักเข้ามาเรียนอนุบาลใหม่ทุกวันนี้เขาก็ต้องมาต่อเองถ้าความคิดแบบว่าทีละขั้นเหมือนมาเออควรได้เปรียบเธอมาต้องเรียนอนุบาลใหม่ก่อนอะไรนี่คิดแบบทางโลกเนี่ยตายก่อนเกื่องจิตปัญญาก็ใช่อย่างนั้นถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยนางวิสาขานี่ไม่สามารถบรรลุโสดาบันตั้งแต่เจดขวบได้ เดนมันดิดเจคนขวปวดแค่แบบมันเป็นอลหันแล้วทำไมไม่ทีละครั้ถ้าหิยะที่เป็นพ่อคากำลังจะเป็นบ้าแล้วเรือโลกหมดเนื้อหมดตัวใช่ไหมมาเกินบุญเก่าไม่เคยรู้เรื่องศาสนาเลยไปพบพระพุทธเจ้ากำลังบินธบายก็นิมนต์ท่านให้ท่านเทศในฝังท่านบอกว่าไปวัดไปวัดนะไม่ยอมขอขอร้องสามครั้งพระองค์เลยบอกว่าสัตว์เดวารู้สัตวเ์เดวายด์ไม่พิจารณาไม่ตัดสิน เนื่องจากพาหิยะนี่มีบุญเก่าว่าเออใช่นะเรามาคิดทุกเรื่องไงเราถึงทุกไงแค่นี้มนุษย์เป็นอาหารหันต์แล้วทําไมไม่ปฏิบัติทีละขั้นเมื่อจะเรียนพระใจไพโด ก, ก็อ่านให้มันโจ๋ให้มันรออไม่ใช่เอาความคิดแบบต่างๆว่าเออกลัวได้เปรียบเสียเปียบเนาเขาถี่บอกว่าแข่งเรือแข่งทายแข่งได้แข่งบุญวาสนาไม่ได้แล้วพผู้เจ้าไม่ได้สอนอะไรผิดมิแต่ว่าคุณต้องเข้าไปในจิต ไม่ใช่ว่าเอาจิตมาฝึกอะไรอะไรข้างนอกก็ไม่รู้อยู่ในฐานกายอะไรอ่งี้นะมันก็อยู่ตรงนั้นไงต้องเข้าใจตรงนี้นะแค่เอากายเวทนาจิตธรมเนี่ยเข้าไปในนั้นถ้าเราไม่เข้าไปในจิตเนี่ยเราไม่สามารถไปสัมผัสธรรมในธรรมได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พระครูก็ต่อ ย, ยอดให้นะคือว่าให้มันเห็นภาพว่าศาสนาเขากไม่ได้สอนอะไรผิดทุกคำานี่เป่องออกมาถูกแต่คุณเข้าใจผิดแค่นั้นเองนะครับ รู้สึกว่าตัวเองเต้นตามจิตใจตัวเองที่สั่งไม่ถูกใช่ไหมครับทาไปจถครับที่แรกเราแยกไม่ออกว่าเห้เราสั่งมันหรือเปล่าหรือว่าเราตามมันหรือเปล่าดำเนินไปอย่าไปนั่งดูมันอะไรเนี่ยทำไปนะที่นี่เราติดไงเราติดติดติดติ ด, ตดที่คล้ายว่าแอบๆอมันดูหน่อยมันไม่เป็นหนึ่งมันเป็นสองที่เราจเจริญสติก็มีผู้เพ่งปสิททุกเห็นไงเห็นไหม มันเป็นสองมันไม่มีพลังคาว่าเอกคาตาลบคือเป็นหนึ่งเดียว <Yeah. S 1> เหมือนเราหมุนลูกคางเนี่ยพร้อมเป็นหนึ่งเดียวปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ในแกนกลางมันเลยเห็นไหมพายุเฮอริเคนพายุใต้ฝุ่นนะจุดที่ปลอดภัยที่สุดก็ต้องไปอยู่กลางมัน <c oughs> นั่นแหละปลอดภัยที่สุดเราไปอยู่รัศมีมันมันพัดละหมดเลยนะ <c oughs> เราสร้างนี่เขาเรียกว่าลมปาน อย่างคนจีนฝึกไท้แกฝึกที่โกงอะไรกันเพื่อสร้างลมปานแต่กว่าจะลมปานเกิดขึ้นในหลายปีหลายปีอันนี้ไม่ต้องเบียงไม่เจอไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี่เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นแล้ะทำไมง่ายอย่างนี้แล้วทำไมจะหาเรื่องยากล่ะเร็วอย่างนี้โอ้ยไม่เร็วเสียมาเสียเวลามาหลายชาติล้ะถ้าเราไม่ฝึกมาเนี่ย เราไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้มาพบกันหราเพระคุณพูดเลยกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนี่ไม่ใช่ธรรมดานะมนุษย์ก็มีหลายเผ่าพันธุน์ไงอันนั้นประเสริฐระดับหนึ่งแล้วถ้าให้ประเสริฐจริงๆนี่ไม่ไม่ได้เจอคําสอนแบบนี้เอาเจอศาสนาทุกศาสนาก็สอนดีหมดแต่ในศ า, าสนาแต่ละศาสนามันก็มีเลเวลคนมันนะระดับปัญญาไม่เหมือนกันนะถ้ามาเจอไอ้แนวที่มันไม่มีแนวนี่นะไม่ใช่ธรรมดา อย่าดูถูกตัวเองแต่เกาอย่าประมาทนะถ้าเราไม่มีกรรมเราก็ไม่ได้มาเกิดอีกเรามีสองด้านเรามีทั้งกรรมไม่ดีเราต้องมาจ่ายนี่กรรมเราก็มีบุญนะทังเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเนะี่มนุษย์ทุกคนประเสริฐอยู่ที่ว่าประเสริฐแค่ไหนถ้าประเสริญน้อยก็เกิดมาก็ไปหลงทางนะก็ไปสร้างกรรมใหม่เห็นไหมถ้าบุญเยอะหน่อยนึงก็ได้มาเจอทางแล้วก็จิตเดิมเราฝึกมาแล้วเราก็ได้ต่อยอดนะครับ อย่าไปคิดแบบตับกกะว่า ม, ามาใหม่ต้อง ABC เห็นไหมมีคนมาใหม่นะแซงคนเก่าไปแล้วตอนนี้แค่ช่องเดียวก็เข้าไปได้แล้วไงเห็นไหมเรื่องนี้อย่าไปแข่งกันแต่ไม่ใช่ว่าบรรูุ้ธรามเร็วกว่าก็เป็นเก่งไม่ถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็แพ้เนนมันดิ7 <c oughs> ขวบเองบวชแค่แปดวันเป็นอรหันต์แล้วทูตเจ้าชาติสุดท้ายจะต้องใช้เวลา6พรรษาเห็นไหมเพราะองค์ต้องเคลียทุกอย่างหมด พระ อ, องค์ต้องเป็นเจ้าแห่งพุทธะมันไม่เหมือนกันบางคนบรรลุทางมปุ๊บก็บรรลุเฉพาะตัวไม่ทุกแล้วแต่ไม่สามารถมีปัญญาเทียบเท่าพระพุทธองค์อย่าไปเปรียบเทียบมันไม่เหมือนกันแต่มันไม่ใช่สูตรสาเร็จว่าบรรลุเร็วดีบรรลุช้าดีไม่เกี่ยวพรกะูหลายปีโดนตรวจสอบเยอะนะเพรากูยินดีนีน่หมดเลยบอกว่าเชิญเชิญเชิญแนะนำํำครูหน่อยเชีย้ให้หน่อยบางทีก็ ผู้ที่เจาสอนอย่างนี้เลยพุทธ ก, การเขาเต้นแบบพี้เลยแล้วท่านก็อ้างพู้ทีเจ้าบอกไว่าเอออ้างผู้ทีเจ้าทําไมไม่ทําตามผู้ทีเจ้า่ะเป็นด็อกเตอร์นะศาสนานะพวกกูถามว่าอ้างพูทีเจ้าทำไมไม่ทำตามให้บอกทำตามยังไงพราะผู้ทีเจ้าไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยท่านไปอ่านทําไมเจ้าชายยิงถามไม่เคยมีพระไตรปิฎกอ่านพระ พระไตรปิฎกบันทึกว่าเจ้าชายยิศาที่เรากาไวา้ผู้ที่เจ้าองค์ปัจจุบันที่นั่นะเป็นองค์ที่ยี่สิบแปดที่เขาบันทึกไว้ก่อนหน้านี้มีพู้ทีเจ้าทั้งหลายจะเป็นพระทีปังกรกัตสปะเขาก็ไม่มีศาสนาเขาก็ไม่มีพระไตรปิฎกทําไมเขาบรรลุธรรได้การศึกษาจิตวิ ญ, ญญาณอย่าซื่อบื้อเอาเป็นแบบตั้งกัแบบเหตุผลพผู้เจ้าที่บอกอย่าพึ่เชื่อตาําราพระไตรปิฎกเป็นตํารานะแต่ไม่ได้ปฏิเสธเราอ่านเป็นแค่สังเขปรู้แนวทาง เหมือนเรามาดูแผนที่ว่าเออจะไปพา ร, รานคอยไปได้ทางไหนบ้างขึ้นเครื่องบินยังไงขับรถไปยังไงมีกี่เส้นทางนะรู้หมดเลยมาพูดได้หมดแต่ไม่เคยไปเลยลจะรู้ไม่ท้องพา ร, รานคอยเป็นยังไงถ้าเราไปก่อนโอ้พล ร, รานคอยไปเจอคนที่พ่อกูบัญชาพูดเสียงดังนะนิสัยเป็นอย่างนี้โอ้อากาศมันร้อนมันเย็นเนี่ยเราเราจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองอันนี้มีจะรู้วิชาการนะแต่ไม่ไปสัมผัสเลยเนี่ย อันนั้นเข้าใจแต่ไม่เข้าจริงผู้เจ้าถึงเตือนว่าอย่าพิ่งเชื่อตำราอย่าพึ่งเชื่อคําเล่าขานอย่าพึ่งเชื่อคนที่พูดครูบาอาจารย์เพราะว่าศรัทธาเราฟังเชื่อหมดนะพระองค์ยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์วินาทีพ่ะครูระเบิดพะ่พะครูเลิกนับถือพูรูเจ้าทันทีในคืนนั้นนะพรอครูรู้นักจิตวืทยคนนี้เป็นยังไงบังอาจไม่นับถือพูรูเจ้าพ่ะครูบูชาถวายชีวิตเพราะว่าคาว่านับถือมันยากไป พอเขาดี ก, ก็พอเขาเก่งก็นัถื อ, อเขาเลือกเก่งก็เลือกนักถืออันนี้ทอให้ชีวิตถึงจะประโยชน์ในป่าไม่ลังเลสงสัยผู้เจ้ามีจริงส่วนจะชื่อว่าเจ้าชายจิตถานหรือไม่พราะกูคีดเกียนไปทะเลาะ ก, กันแต่จิตดวงนั้นมีจริงและคําสอนพระองค์เนี่ยทุกวาราเปออกมาจริงหมดสําคัญว่าทำจริงไหมเพราะกูไม่ลังเลสงสัยนะ ก็เห็นไหมจิตใจตัวเองที่สั่งไม่ถูกใช่ไหมครับไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินไม่มีถูกไม่มีผิดทางต่อไปนะครับไม่แน่ใจว่าฟังที่หูมารู้ที่ใจจะทำได้ตามหลักการที่พอครูสอนหรือไม่มันยากคะ่ะต้องขอวีซ่าไหต้องขออนุญาตใครไหมนะมันยากเพราะมันง่าย มันยากเพราะว่าเราถูกฝึกมาว่าต้องมีคําตอบว่าเป็นยังไงมันต้องเท่ ๆ, ๆอย่างนั้นอ่ะนะคือถ้าเหมือนเด็ ก, ดกวางของเก่าที่เรารู้หมดอนะ่ะไม่รู้เลยลุยมันเลยเนะีวว่ยเพราะกลัวทำให้มันเบิกบานเล่นๆนี่แหละไม่ต้องตั้งใจให้คําว่าตั้งมั่นก็คือว่าเราก็เทกับมันร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเดี๋ยวมันก็ไปเองที่มันได้ช้าได้เร็วเนี่ยอยู่ที่ว่าเราวาง ความลังเลสงสัยได้แค่ไหนมีครูบาอาจารย์จากไต้หวันนะั่นเป็นภาพผู้ใหญ่นะแล้วก็ภิกษุณีด้วยนะพวกนี้ปฏิบัติแบบเอาเป็นเอาตายนะซาเซ็งพวกเซ็ง น, นะไปญี่ปุ่นไปอะไรเขาได้ยินข่าวพระครูเ็าบินมาคณะหนึ่งไปที่นู่นนะเขาบอกว่าเขามีพลังนะ้ำมันหมุนแล้วนะเขาถามว่าจะเข้าไปยังไงเขาบอกว่าอาจารย์เขาเปิดประตูเข้าไปเลยสิ ก็มัวแต่หมุนอยู่ตรงนั้นเราไม่เข้าไปมันจะเข้าไปได้ยังไงก็เปิดประตูเข้าไปง่ายมากท่านบังเกินบุญท่านท่านสร้างบุญมาเยอะท่านฝึกมาเยอะก็ชั่วโมงเดียวก็เข้าไปพุ๊เนี่ยท่านมาแสดงธรรมในละดุชาดได้หมดเห็นไหมเพราะเราไม่เข้าไปเรามัวแต่ฝึกไงม่าแต่ฝึกอยู่นั้นแหละปันป้นลมปานอยู่ตรงนั้นแหละมันเป็นวิชาหนึ่งแต่วิชานั้นไม่ใช่ผิดมันเป็นอุบายวิธีที่สร้างอินทรีย์พระโระละหล์ให้มันแก่กล้าขึ้น เห็นไหมเพื่อเดินทางไกลอันนี้กี่ปีกี่ปีก็ปั้นอยู่ตรงนั้นแหละกี่ปีกี่ปีก็เจริญสติอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะไปไหนล่ะเห็นไหมก็แค่เปิดประตูเข้าไปแค่นั้นเองนะอันนี้ไม่ยากนะครับค่อยๆทําไปทําอย่างไรจะขยันแจ่มใสเหมือนเวอร์เกอร์ครับอ้เวอร์เกอร์เราถูกชมกันบ้างว่างๆไปเที่ยวศูนย์พาราน่อยนะ ที่นวดน่นเนยเรามีอยู่ประจำนี่ต้องเกิดเป็นร้อยชีวิตทั้งพระทั้งเนทั้งชีทั้งญาติโยมเนี่ยเราปฏิบัติตั้งแต่ตีห้าครึ่งมีโปรแกรมสุริยะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีโอกาสแล้วพักกูจะให้วอเกอร์ออสาธิตให้เราดูนะยืนหมุนนะอันนั้นตีห้าครึ่งจนถึง6กโมงกว่า6กโมงกว่าเข้าศาลาใหญ่ก็อเนี่ยเตรียมพร้อมร่างกายนะจิตใจแล้วก็ไปฉัชนชากัน ตอนสายเก้าโมงครึ่งก็ยืนเดินนั่งนอนบ่ายสองก็สมาธิเวียนสองชั่วโมงแล้วก็กลางคืนมาทำวัดเย็นหโมงสิบห้าทวัดเย็นเสร็จแล้วก็ปฏิบัติจนถึงสองทุ่มสองทุ่มก็ไปสุริยันจันทราอีกจนถึงสามทุ่มคนที่ศูนย์นี่ทุกวันเขากลัววันสล า, าจะหายปฏิบัติมาเป็นสิปีนะตอนเช้ามาก็วิ่งวิ่งวิไปสลากลัวมันจะหาย ไม่มีข้อบังคับ <laughs> อันนี้ไม่ใช่ขยันที่เราเข้าใจนะเขาเรียกว่าวิทยะสมโพช์ชมมันเป็นตามธรรมชาติมันไม่ใช่ใช้วิธีพุทธดนะตำารงชีวิตนะทุกวันนี้เขามีแต่พิธีพุทธนะที่นุ่นเป็นวิธีพุทธมันเป็นวิธีชีวิตเราแล้วมันเป็นปกติมันเรียกว่าขยันก็ไม่ได้ เรียกว่าวิริยะธรรมดาก็ไม่ได้วิทยะคือว่าขยานันเพราะฉันอยากได้พอเลิอกอยากปุ๊บก็เลิก ก, ก็เลิกขยนัน <c oughs> อันนี้มันเป็นปกติเขาเรียกว่าวิริยะสัมโพชงที่นู่นเราจเจริญโพชงตลอดเวลา <c oughs> โพชงคือไปโดยธรรมชาติของมันมันเป็นวิถนะีทุกวันก็เป็นอย่างนั้นจีปีมาก็เป็นอย่างนั้นไปเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปเข้าคอร์สปฏิบัตินะ ไปเมื่อไหร่เราก็ประจับทุกวันก็ไปแจมกันมีแต่ว่าถ้าจะไปคณะใหญ่บอกเราก่อนหนึ่งเราก็จะเตรียมที่พักเตรีย ม, มาอาหารอะไรสำรองไม่ต้องนับหนึ่งใหม่พ อ, อไปปึ๊บคนมาใหม่เราก็จูงแขนกันเดินเหมือนเก่าเพราะมันไม่ใช่วิชาสอนเห็นไหมมันไม่ใช่วิชาไม่ใช่มีสเต็ปเพราะคุณไม่ได้มองว่าเออตอนนี้เราเคยฝึพกพราะคุมองเข้าไปในจิตทุกจิตทุกคนมีสิทหมดฝึกมาตั้งเยอะแยะแล้ว แต่เรามีจุดเด่นของเราแต่ละคนมีวิชาไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะออกมาเดี๋ยวเราทําโยคะนะอย่างเดียวพวกนี้ พ, พักวัวจะโชว์อยู่ว่าเออคือคือสาธิตให้ดูว่าไอที่เขาทํำเนี่ยเรียกว่าอินไซน์เอาเนี่ยเขาไปฝึกมาจากที่ไหนเหมือนเราไปฝึกบัลเล่ต์เนี่ยเราต้องใช้เวลาฝึกใช่ไหมใช่ไหม ย, ยืนหมุนอะไรอะไรอันนั้นอันนั้นเอาไซน์อินจากความชํานาญเราฝึกแล้วมันก็เป็นแต่มันมีข้อจํากัดของมันแต่ถ้าเราอินไซน์เอามันออกมาจากข้างหน้าเนี่ยโอโ้โหเหมือนหมออยาเนี่นะ วิดีโอแกมีไห ม, ไมเออไม่ใช่พรุ่งนี้อะไรเนี่ ย, ย, ยพี่ยาทําให้ดูนะพรุ่งนี้ <laughs> พี่ยาไม่เคยไม่เคยฝึกโยคะเลย <c oughs> นะ <c oughs> แต่โยคะตอนนี้เราไปฝึกทีละท่านะท่านี้เอาขาที่ฟ้าเออท่านั้นนี่ยนี่เนี่ยพี่ยาเขาทำบูรณาการได้หลายท่าเป็นท่าใหม่หมดครูสอนโยคะตกใจเะไไปเรียนมาจากไหน ไม่ต้องเรียนเราฝึกมาหลายชาติแล้วไปรีไวล์เอามาใช้ทุกคนทําได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะไปเลือกโยคะนะเพราะเราไม่เคยฝึกโยคะนะเดี๋ยวจิตเราเลือกวิชาที่เราเด่นที่สุดเองมาช่วยร่างกายนี้เชื่อจิตเราอย่าไปเชื่อใจใจมันหลอกเรามันตลอดชีวิตเข้า <c oughs> <c oughs> ใจไหมบรรดาเราเจ็บใจใจต ก, ตกมันเลยเรากลัวมันเจ็บใจเราก็ตกไปเลยเห็นไหม เราสร้างกรรมเข้าใจมันหลอกเราตลอดเวลาตอนนี้เราปลดปล่อยจิตเราเมื่อจิตเรามีกำลังพอที่จะสู้กำลังใจได้แล้วเนี่ยเขาจะไม่ทำตามใจอีกต่อไปเขาจะทำตามเหตุและปัจจัยที่มันสมควรเราจะไม่สร้างกรรมอีกแลวเราจะเบิกบานนะที่ศูนย์เน่ไม่ใช่หน้าดำขั้เครียดเป็นนั่งกดมันไว้บางคำในแบบ น, นี้คืออย่างนี้เรื่องจิตมีสองแบบหนึ่งคือปลดปล่อยไปตามธรรมชาติ มีครอบครัวหนึ่งเดินมามีสนามเด็กเล่นครอบครัวนี้เด็กมันขอว่าพ่อแม่เล่นไปเล่นเดีลูกเ อ, อ้ยอย่าไปเล่นลูกมันไม่ดีหรอกเดี๋ยวมันจะอันตรายอะไรก็บังคับมันอันนี้เล่นเสร็จก็เดินมากี่วันก็เป็นแบบนี้ถามว่าเด็กสองคนนี้ใครจะวางก่อนไอ้ที่ถูกบังคับมันเลยวัยแล้วไม่เล่นก็ไม่เล่นกว่าก็ไม่มีประสบการณ์ ฝึกจิตเหมือนกันไปนั่งกดมันไว้เหมือนเรากดสปริงนะกดกดกดกดกดกดโอ้สงบมากเลยเห็นไหมกดมาสามสี่สิบปีเพราะไอ้บิบากกำลูกโตๆชนปึ๊กเด้งผังเลยนอกจากโกดไปทีหนึงโชคดีมากมันขึ้นสลิมหมดอันนั้นมอดตัวไปแต่หนึ่งอร์ซก็น้อยมากก็ไม่มีนะอันนี้เราต้องทําลายสปริงใช่ไหมทลายสปริงบางทีกําลังมันดีดนิ้วลอยๆต้องขันติอย่าเพิ่งขันแตกก่อนนะ บางคนโอง่งแตกเลยชาตินี้ใช้ไม่เอาแล้วนะเราดึงออกเมื่อสปริงเราทำลายก็เป็นเหล็กเส้นหนึ่งต่อไปมันสมหตลอดการดับทุกดับที่ต้นเหตุแห่งทุกมาครีนสักมาเอาออกไม่ใช่ไปกดมันไว้โอเคนะครับก็ได้เวลานะก็เข้าห้องน้ำก่อนนิดหนึ่งไม่ต้องสิบนาทีหรอกของห้านาทีก็พอนะครับแล้วก็เตรียมตัวนาน า, นานจิตตังนะครับก่อนที่จะไปพักผ่อน